พระธรรมเทศนาแผ่นที่61ดลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่28พิพฤษภาคม2557มีชื่อเรื่องว่าป ร, รับตัวให้เข้ากับป่า ทำมยังดับไฟดับไฟมันไฟมันสองตาไล่อีกส่วนหนึ่งเวลาเรานั่งภาวนาเนี่ยมันแรงมันลงมาจากข้างบนมันมาเกาะนั้น้ามันอยู่ข้างนอกถึงจะมันเกาะไอ้เกาะข้างนอกไปข้างนอกฉะนั้นจึงดับไฟผู้ที่มาวัดหลวงพ่อก็เหมือนกัน บางคนไม่รู้จักวิธีการมาอยู่ในป่าพอบางคนก็กลัวผีกลัวมืดแล้วก็จุดไฟไว้ทั้งคืนพอจุดไว้แล้วก่อนอตัวลิ้นมแมลงตัวเล็กมันมุดมันลอดตาข่ายมุ่งลวดเข้ามาเอามาเวลาเรานอนกันโผลลิ้นตัวเล็กเน่ ลิ้นพกลิ้นพกยุงเหลือบลิ้นยุงเหลือบมันตัวใหญ่ใช่ยุงกับตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยลิ้นมันเล็กจนมองไม่เห็นเล็กจนในส่ยแว่นมองจึงจะมองเห็นแต่เนี้เวลามันมันเข้ามามันก็บปินลงมาข้างล่างของล่างมันเราโผล่หน้าออกมามืนก็กัดหน้า โผแขนมากักดแขนนะกินแขนคนดูดเลือดนะตัวเล็กมันคันไปหมดเลยนะเราเป็นอะไรวะทำไมมันผื่นคันขึ้นมานะบางคนนะอยู่ไม่ได้พอมันลิ้นกัดตัวเล็กไหมกัดบางทีก็เวลาจุดไฟก่อนนอนเปิดไฟไว้ เวลาทำอะไรเสร็จแล้วอ่านหนังสืออะไรเสร็จเรียบร้อยไปปิดไฟพอปิดไฟแต่ไไฟดับเลนมันก็นลงมากัดคนอีกตีไหนมากินคนโผที่ไหนมันกินที่นั่ น, นแต่ไหนมันดูดคันทั้งคืนเลยแต่ไหนมันเป็นอะไรนะเราทำไมมันเป็นผืนคันอย่างนี้ คือวิธีการแก้เนี่ยทำอย่างไงอย่าไปจุดไฟกลางคืนเวลานอนห้ามจุดไฟเด็ดขาดอยู่ในป่าในวัดของเราถ้าว่าเราจุดไฟก่อนที่เราจะนอนเราจัดขึ้นไปจัดสิ่งของที่หลับที่นอนของเราพอจัดเสร็จแล้วเราไปเปิดไฟไ้ข้างนอกหลอดหนึ่งเปิดไฟไปข้างนอกหลอ ด, ด, ไไาอลอดจากนั้น พอเราจะนอนจริงๆเราปิดไฟซะก่อนปิดไฟข้างในพอปิดไฟเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าห่ออมของเราหรือใช้ผ้าของเราเนี่ยเบี่ยงไปเวี่ยงมาเวี่ยงไปเวี่ยงมาไล่ไล่พกตัวลิ้นมันก็จะเปิดหน้าต่างไว้นะไม่ต้องปิดหน้าต่างในช่วงนั้นประตูเปิดไว้ก่อนให้มันออกได้ง่ายๆเปิดประตูไว้มันมีช่องนะ มันมีไฟโผลยู่ข้างหน้าด้วยเวียงไปเวียงมาเวียงไปเวียงมาสักหานาทีอ่าพอสัก5้านาทีแหละบลัดแรกเราจึงค่อยย่องแย้งไปไปปิดไฟข้างนอกตับเราก็มดุดสายไฟแม่เตียกปิดหน้าปิดประตูตับไนอนเลยมันจะไม่คันเลยเพราะมันตัวลิ้นตัวนั้นมันออกไปล่ะเราไล่มัน เราเวียงมันมันก็วิ่งไปหาหลอดหลอดไฟอยู่ข้างนอกที่มันสว่างอ่ะแล้วก็นอนเขามันมีอะไรล่ะเนี่ยนแหละเทคนิคเรานี้มันหาฟังได้ยากนะถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังมันหาฟังได้ยากพอมาเจอเข้าเท่นั้นแหละเอ๊ะทําไมลรามันเป็นอย่างนี้เราทําไมอยู่ทําไมไม่มีคันมันผืนขึ้นมาเนี่ยมันคันทั้งคืนนอนไม่หลับฮะนี่แหละ ตัวลิ้นตัวแมลงอยู่ในป่ามีเยอะแยะไปบางทีก็าตายจนลำขาญมันบินเข้ามาแล้วมุดมงวงลวดเข้ามาแล้วมันอยู่ เ, เข้ามาในห้องนอนของเราตายยุ่เยี้ยไปหมดเพราะมันมีไฟแมลงเข้ามาหาไฟ เ, าเราไปอยู่นาจสถานที่ใดเราต้องศึกษาภูมิประเทศภูมิทัศ ในตุดนั้นเอ่นเต็นที่หลวงพ่อได้ยินนะฟังฟังดูนะแล้วไปไปฏิบัติดูซะมันเป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดไปหลวลงพ่อเอาความจริงมาพูดนะหลวงพ่อทุกวันนี้เคยขนาดจะนอนนี่ต้องไปเปิดไฟอ่านหนังสือนะหลวงพ่อจะไม่เปิดล่ะต้องปิดกลางคืนนะไม่อ่านพออ่านเสร็จแล้วนั้ น, นมแมลงเหล่านั้นไม่ไปไห น, น่ะมันบินเข้ามาน่ะ มันจะยัวเยะแถวนั้นอ่ ะ, อะมันเถือบจะว่าต้นหน่อยกัดไม่เป็นกร็ตายอยู่นั่นอ่ะเผอๆมันเข้าหูอีต่างหากเวลาเรานอนหลับ น, นี่ระมัดระวังนะอันนี้ก็คือความผาสุกในการมาปฏิบัติธรรมจากนั้นเราจะนั่งภาวนาก็นั่งภาวนาถึงจะไม่มีผ้าห่มก็ไม่เป็นไรนั่งขัดตมาทินั่งภานงวนาบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยละทีนี้ นานเท่าที่จะนานได้พยายามนั่งให้นานนานที่สุดพรกลางวันเราเดินถ้าเราจะลงไปเดินกลางคืนก็ได้แต่จุดเทียนดูให้ละเอียดแต่ใส่รองเท้าดีกว่ากลางคืนนะทำไมจะให้ใส่รองเท้าเพราะว่ามันมีแมลงป่องเวลาเหยียบมันก็มันต่อยได้ไง่าย แต่ตามไม่จริงถ้าเราจะเดินทั้งคืนเนี่ยสู้ถอดรองเท้าไม่ได้นะแต่เราก็ต้องสังเกตุดมากหลวงพ่อเดินยังก่มเดินกลางคืนบางทีเดินหลายถอดรองเท้าเดินเดินทั้งคืนเคยเดินทั้งคืนกับมีนะจนฝาเท้าบางเลยล่ะเกือบมันจะทะลุแปลกเหมือนกันนะเที่าพระโสนะ ในครั้งพุทธการเดินยองกกมจนฝ่าเท้าแตกผมแตกเลยจริงๆนะพอเดินยองโกมมันรู้สึกฝ่าเท้าเนี่ยบางบางมากๆเลยมองตอนเช้านี่มองเห็นเหมือนกับเลือดอมันวิ่งเห็นเลือดแดงไปหมดเลยฝ่าเท้ามันบางมากแต่มันก็แปลกอีกอย่างนึ่งเหมือนกันนะพอตกตอนเย็นมาหนาปื๊ดเหมืองเก่าอีกโอ้เออเท้าเนี่ยทำไมมัน งอกเร็วว่าเกินหนังในีว่วา่ะเออมันไม่บางนะบอกว่าตกตอนเย็นนะหนังหนาขึ้นมาอีกแปลกเหมือนกันนะขณะพวกเรานะอย่างวันนี้เป็นวันพระพระน้อยพะหนุ่มทั้งหลายออแต่ไปจะไปคุยกันปิดวาจาอา้าวเราจะไปนั่งภาวนาที่ไหนเอายากันยุงทาทานแล้วก็จุดยากันยุงไว้ คางๆเลยกันจะนั่งภาวนาก็ได้นั่งมุมใครกุมหมดนั่งภาวนาเอาไปตลอดคืนออกจากนั่งแล้วเดินออกจะเดินแล้วนั่งเอาเนสชิดูสิอริยาบทสามยืนเดินนั่งหรือจะเอาอริยาบทสองก็ได้เดินกับ น, นั่งคืนตลอดทั้งคืนละการภาวนาต้องมีหนักมีเบาการ ปฏิบัติธรรมยังไปเอาอย่างเก่าไม่ได้นะตั้งจิตอธิษฐานอีกต่างหากเนี่ข้าพระเจ้าจะพยายามให้อารมณ์อยู่ในกับตัวเองให้มากที่สุดในคืนนี้เราปล่อยมาไม่รู้กี่เดือนกี่ปีแล้วเราบังคับให้มันอยู่สักวันหนึ่งคืนหนึ่งทดลองเลยซิเ่ยเป็นยังไงตายให้มันตายไม่ให้มันเผลอเนี่ยให้มันอยู่กับตัวเองตลอด พุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่างนี้เ น, นี่ยบังคับด้วยซิอยากจะให้พวกเราทุกๆองนะ ต, ต้องจงตั้งจิตอธิษฐานในคืนนี้ข้าพเจ้าจะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปล้ข้าพเจ้าจะให้สติอยู่กับตัวเองจะไม่ให้เผลอถ้ามันเผลอเมื่อไรข้าพเจ้าจะดึงกลับคืนมาในเมื่อนั้นแต่พยายามให้อยู่กับตัวเองให้มากที่สุดในคืนนี้ จากนั้นก็เดินยัง ก, กลมลยพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้นานจากนันก็ น, นั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่มีสติอยู่กับตนเองแบ่งค้าพมาอยู่กับตนเองทดลองเนนะพระน้อยพระหนุม่มพระลูกพระหลานทั้งหลายนะจะไปอยู่เป็นวันๆจะให้สังขารมันหลอกตัวเองสัญญาสังขารหลอกเหมือนกับเหมือนเราไม่เคยอยู่กับพ่อกับแม่ พอมาอยู่วัดและทําท่าคิดถึงพ่อถึงแม่อยากจะปฏิบัติพ่อแม่อย่างนู้นอย่างนี้ออแต่อยู่กับพ่อแม่เลยทะเลาะกันไม่รู้ว่ากี่ครั้งแต่ละวันเอกีเลสมันหลอกเจ้าของอย่างนั้น่ะกีเลสฮตถ้าเราปราบมันไม่อยู่ต่อไปมันก็จะเอาอย่างเก่านั่นแหละมันกระหลอ ก, ก็เองอย่างเก่านั่นแหละเอเพราะนั้นอพ่อแม่ท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วก็ใช่ การภาวนาอย่างนี้แหละ อ, อการปฏิบัติอย่างนี้แหละคือการทดแทนพระคุณของพ่อของแม่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะ่ะอผูอ้ดใดก็ตาม อ, อปฏิบัติพ่อแม่ดีขนาดไหนก็ปฏิบัติให้พ่อแม่นั่งอยู่ทั้งพ่อนั่งอยู่บ่าขวาแม่นั่งอยู่บ่าซ้าย อ, อไม่ให้ลงจากบ่าตัวเองเลย เวลาพ่อแม่อยากจะทานอาหารก็ยื่นป้อนข้าวขึ้นไปทั้งพ่อทั้งแม่แพ่อแม่จะจะขี่ลถตัวเองเลยทั้งสองข้างถึงอย่างนั้นก็เถอะยังไม่ถือว่าปฏิบัติพ่อแม่สู้ผู้ที่ปฏิบัติภาวนาทําจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสวัคิเลสเป็นพระโสดาบันขึ้นไปนั่นแหละเป็นการทดแทนพระคุณพ่อแม่ ยิ่งกว่าการอุปถัมภะาทางร่างกายทางว่าพ่อสอนให้พ่อแม่รู้จักเป็นพระอริยะบุคคลเป็นสัมมาทิฐิให้พ่อแม่เป็นสัมมาทิธินั่นแหละสอนทางด้านจิตใจพูดนั้นะเลิศประเสริฐยิ่งกว่าการปฏิบัติทางร่างกายให้กับท่าน อันนี้คือทำคำสอนของพระพุทธเจา้าเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนนะอย่าไปคิดว่าเราห่างเหินจากพ่อแม่ไม่ได้ดูแลแต่พอสำคัญให้ตัวของเราเนี่ยเป็นพระอริยะบุคคลคือร่างกายของเราเนี่ยมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่ให้มาแล้วเราเราปฏิบัติตนจนได้ภาวนาจนจิตสงบพอจิตสงบเน้่เราก็เป็นการ แผ่อุทิศส่วนกุศลให้ท่านจากนั้นก็นสอนท่านอีกให้ท่านภาวนาอย่างที่เราแนะนําสั่งสอนจนพ่อแม่ได้ภาวนาทําจิตใจให้สงบยึดพัตไตรสรารณคมเป็นสราระเป็นที่พึ่งให้ท่านท่านเป็นผู้เป็นพระอริยบุคคลนั่นแหละเลิศประเสริฐที่สุดนั่นคือการทดแทนพระคุณพ่อแม่อย่าง หาที่เปรียบไม่ได้นะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอันดับแรกคือเอาตัวเองก่อนะเตืเ่องโงมนั่งภาวนาทดลองนะที่เอาทั้งคืนแต่จะไปคุยกันนะห้ามคุยกันที่จะอยู่ใกล้กันกับโบเออเราปิดวาจานะอไปอะไรเราคุยพูดคุยกันก่อนอืเราวันนี้เราจะเอาอย่างไรเราจะนั่งทั้งคืนทงวันนี้นะอนั่งอยู่มุมนั้นผมนั่งอยู่มุมนี้ เวลานั่งสะได้ให้เดินยังกรมอไม่ต้องทําให้เสียงดังค่อยๆทํานะต่างคนต่างทำนะคือเอาหยุดพูดนะบัดนี้เป็นต้นไปไม่ต้องพูดกันจนสว่างเมื่ อ, อไหรเมื่อนั้นจะค่อยพูดเว้นเสียแต่ว่างูกัดมูต่อยหรือว่ามีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรให้จงค่อยว่ากันถ้าไม่มีอะไรไม่พูดกันนะจากนั้นก็เดินยังกรมนั่งภาวนาของใครของเราอะไรเออ นี่แหละเป็นการบำเพ็ญทางด้านจิตภาวนาต่อไปจิตใจจะมีหลักมีหลักมีเหตุมีผลขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วแ่ไหนจิตใจจะได้รับความผาสุกในจย์จิตใจลึกๆไปเรื่อยๆนะจนเชื่อมั่นในตนเองฮโอ้ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพระแม่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่ของหลอกๆอกเล่นๆนะเป็นของจริงจริง รู้แจ้งรู้แจ้งเห็นจริงจริงๆนะัน น, นะนี่ให้พวกเราท่านทั้งหลายปฏิบัติตนอย่างนั้นนะแต่นี่ต่อไปนั่งสมาธิเลยนะทีนี้นะฟังเทศของหลวงพ่อหลวงพ่อจะเอา m p ็มพีสามพูดแทนนะเปิดได้แล้วนะรูบานะเริ่มนะเปิดเลยเรานั่งสมาธินะั่ทีนีนะนั่งสมาธินั่งขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วปนมมือนาะพาลูกพาหลานพระใหม่ ปนมืมอไหว้สักก่อนพุทโธธรรมโอสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบไหว้คร oh, ูสั ko, o, ko, vai, oh, ก่อนอาจากนั้นอย่ค่อยเอามือลงมือขวาทับมือซ้ายแหละกับก oh, oh ลวลรคำพุทโธพุทโธเวลาฟังเวลาได้ยินเสียงไม่ต้องส่งใจไปหาเสียงหรอกให้สติอยู่กับตนเองมีอย่พุทโธพุทโธนัน oh นะ เ, เสียงเข้าหูแล้วเรา วิตรู้รู้รู้รู้รู้ไปไม่ต้องจำนะฟังให้รู้แล้วก็ไม่ต้องจำในเปิดว่าฟังเทศถึงใจนะเอาใจเป็นคนฟังนะเอาเปิดได้แล้วนะตี่นะี้เนี่ย